ว่างจากความเครียดเศษของเหลือทิ้งเพลอดูดายเพียงวันสมรุมเป็นขยะกองโตหมดที่ว่างสะอาดตาเศษความคิดไร้แก่นสารเพลอใส่ใจเพียงครู่ก่อตัวเป็นก้อนเครียดชิ้นใหญ่หมดที่ว่างสบายใจมุ่นแล้วคิดจึงเครียด ว่างแล้วคิดจึงคลายหาความหมายของความว่างจะสงบท่ามกลางความวุ่นเครียดพราะคิดวนสับสนเพราะคิดมากลำบากเพราะคิดนานรำคาญเพราะคิดแช่คลายเพราะคิดจบสงบเพราะคิดน้อยลอยลำเพราะคิดเป็น ท่ำเย็นเพราะคิดดีรักที่จะแก้ปัญหาอย่ารักที่จะจมอยู่กับปัญหายอมรับที่จะมีปัญหามากอย่ารับที่จะหนีปัญหาน้อยปัญหาสารพัดทิศคลายพิษสารพัด ท, ทางเพียงไม่แช่ความคิดใจไม่ติดกับดัก เหมือนรักจะผินหน้านี้ทันทีที่แก้ปลาะหนึ่งเสร็จก็ระเห็ดไปแก้อีกปลาะหนึ่งต่อเมื่อไม่ว่างพอจะคิดเล็กคิดน้อยก็ว่างพอจะคิดให้เห็นทางออกอาจแค่สละทิ้งเหมือนถมเลษหรืออาจต้องยอมเหนื่อยเนิ่นนานแต่จะง่ายดายหรือยากเย็น เพียงไม่สั่งสมความคิดไร้แก่นสารใจก็ว่างจากความเครียดอย่างถาวอ